เราก็ตรงตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเนองเรายังไม่ตรงนี่นะ อ, อเพราะความเมตตา น, นั้นที่ไม่ตรงเลยยังต้องในขี้ก<ฮ>ันอยู่เรื่ยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดนี่ใครจะมาพูดคํานี้ให้คิดมีเหรอนี่หนึ่ง จะว่าจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมักพูดให้คิดจะไม่มีหรือไม่มีนอนตัว่าไงนี่จะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่เพื่อนจะพิจนารณาคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นหีือไมไงเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เหยนอยู่อย่า ง, างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนันทั้งทั้งหลายเราโลกมันก็คนลโลก มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรครับไปเกาะไปเกี่ยวเลยทในที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี้และอาจจรรย์พระพุทธเจา้าสิไม่เห็นองค์菩าสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นอยู่นี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นรงเป็นไปนหมดแล้วนะ ลุลูกนอก ๆ, ๆเราไม่ต้องพูดหรอกไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายก็ว่าเห็นริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวดังนั้นเคิดหมายอะไรอะไรมาอันนัเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบางเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึดตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่ อันนี้คือสื่งเพืออแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพู้เรภาภัยเท่านั้นมันกระครอมหมดแล้วมันไม่รู้เลยมั น, นกว้างอันนี้มาเป็นเราของเราไปหมดนีน่ที่มันมันมันกล่อมขนาด น, นั้นมันไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบ วิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังมากนัวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนทำทําให้มุ่งใจจะปฏิบัติมันก็เรียนเพื่อมันจําเพื่อมันสั้งสมถติมนะัณฑะสั้งสมความสัมพันธ์มันหมายว่าตนรู้ตนวใจหลักหลักนับกลาชาตกวีขึ้นมาอืมมันมันเข้า เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะแนี่ว่าอะไรขนาดนั้นนะหนุนูดในวงหมู่บ่อนเรื่องความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกอันนี้มันจัถ้าวาว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไร สัมปัตสัมปันอันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกําหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันหนักเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแตละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้ มันหนักเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผลักมันดันมันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลก ตาโลกให้หมุนเวียนเกิดแจ่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรง น, นี้มันทํางานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันแต่นี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มือนได้นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทาง มันนับเป็นธรรมชาติหลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกเแง่ทุกมุมและละเอียดแล้วออกมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่สิมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นเปนอย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงก็มาสอดมาสอ่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะเราก็เหมือนอย่างหูเรามีเนี่ยเสียงเปี้ยงป้างขึ้น เพียงแป้ปงขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาดไปที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสาหรับเห็นสำหรับได้ยินว่าระดงกิ่นเลี้ยรสเนี่ยปุ๊นอะไรอันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏปรากฏปรากฏ ระหว่างโลกกับธรรมก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งหมนุนธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ถันกันโดยไม่ต้องตั้งใจทั้งเกตสังกามันก็ถันมันถักสัมผัสสัมพันธ์มั น, มนทําให้รู้ให้เห็นให้ พิจารณาต่ตองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณานีน่อยมันเป็นทั้งหมดนี่เองมันละเอียดมากนาในชาติในสามแดนโลกชาตินี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานดูบนหัวใจคนไม่มีทางเลยจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียน การทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่จะเป็นของถังมันทํางานของมันอย่างเฮ้ยที่แต่เราพูดถึงเรื่องความส ด, ดสำเร็จมันจะไม่สดดสำเร็จยังไงมันกล่อมถึงขนาดมันจะไม่รู้ยิ่งสมัยตุวันนี้ยิ่ ง, น, งนับวันรุนแรงขึ้นอานาจของมันมีมากไม่ทําให้รู้เลย อะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคริรมไปตามมันมันสนใจมากนะอะไรเพราะมันทําให้สนใจอีกเนะี่ยมันซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนก็นไปเลยเป็นลําดับลาดาไม่รู้กี่กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอุกทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดินเม็ดทรายก็แทรกอยูทุกเม็ดินเม็ดทราย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 แล้วไครในโลกคนนี้สามารถรู้ได้และละได้ฟังที่โลกทังสามแดนโลกธาตุหารายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฟังไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอํานาจนี้ให้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 พระงก็ทรงทราบวันนี้ไม่ใช่ทางเนี่ยจึงนี้มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนและลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ท่พระราชาวิด า, าพาไปแรกนาขวานทรงประทับอยู่ใต้ล่มว่าร้วยร่มไม้ล่มว่าทรงเจริญนาปปัยนาสิทรงเห็นผล น, นั้นย้อนเอา อันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอนาปานสติในคืนที่จะแต่ะลู้นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมคะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอํานาจที่ครอบอยู่ในหัวใจบังคับอยู่ในหัวใจนี้ยิ่งไี้ทรงพิจารณาอนาปานสติ ลมหายใจเขาเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้สรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสิสติยานพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไหร่และเลือกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กัน จนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดตัวถึงแห่งพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักเราเคยเกิดแก่เกิดตายอย่างไงยังไงอาสะวะเคยอวยบุเพนิวาสานดิยานเคยเป็นมาอย่างไงอย่างไงทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้ เปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เก็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวนะว่าตัดทรสงสารเพราะอำนาจเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพอจิมายามก็ทรงทราบถึงเป็นจุตุปาตยานจุติปาตยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณ มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกหย่อมหญ้าต้องเกิดื่องตายของสัตว์เกิดึี่นี่ไปตายที่นั่นเกิดนั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดตัวถึงพอปริมยามก็อาสวะคยายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงพยาน ความรู้แจ้งความสิ่นอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตัดจะรู้นี่แหละวิชาของสยัมผูมีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกรงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผู้ให้พินาศคลิปหายไปกลายเป็นีิสุทธิบุคคล พ้นแล้วจากโทษแห่งกงขังเรือนจังคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้าในอันใดโตนี้เป็นผู้บงังคับบัญชากดขี่คุมเหงอยู่ในเรือนจังแม้จะวัฏจักรได้สิ้นสุดพิมุหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียว มืทรงศราปไปจับพระไถยแล้วก็ น, นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์ลูกสาวกปราหัรหรที่จะบรรู้ตามท่านก็หลุดพ้นหลุดพ้ น, พนจากกรงขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิโซดาโสดามีพระสกิทาคามีก็มี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 มหาจมทั้งเป็นทั้งตายนี้ออกไปได้หังนั้นมาก็เป็นกริยานพุทธชนถึงบัตรัยสารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลาดับลำดาจนมาถึงพวกเหล่านี้อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจรม ท, ที่กระเทือนโลกธาตุ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 ทำความชั่วช้าระมุกบาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุก์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติแตมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบงเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียด อ้อยอิงของมันนั้นได้กรอมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความปิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกรอมให้สาสโลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรอะไรก็เลยเสกสรรปัญนยอขึ้นมา ของปลอมเสกสรบัญญอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหม้ออยู่นะนกลายเป็นความนิยมทุมชอบไปต่างๆกันเพราะศาสตร์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันดังนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบุิษัท แม้แต่ผู้พุทธบริษัทยังไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความยาละเอียดของธรรมและของกิเลส น, นี่แหละที่มันถ้าพูดถึงหน้าอิจฉานและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจมาสามารถ นำทรรมเหล่านี้มาไตยหัวกิเลดให้พังตรายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนีรวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมีแปดหม่นสี่พันระธรรมคันพระสูตรก็เล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟัง เรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็ น, นยอย่างนั้ น, นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีตดได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั่นเพื่อนยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรท่านร้อยกรองเอาไว้เป็นคติตัวอย่างของานคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตํำรับตาลาเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆ ก็ล่วงรับผ่านไปแล้วแต่นําเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลูดที่กําลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยืดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทําผู้ที่ดีเรื่องที่ดี ท, ดที่เป็นกติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยืดข้อปฏิบัตินะ่ะวินยัยคือข้ขอบังคับไม่ให้ปรี่ ออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบข ว, กวากอย่ยางน้าเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าเหล่ามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นร้ว ก, กั้นสองฝากทางเอาไว้ไม่สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเรื่องสายพระพุทธเจ้าปรีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่ง น, นั้นผิดสิ่ง น, นั้นผิดอย่าทำ มีเป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะ่ี่พระองค์มีพระเมตตาขนาดไหนอันนี้ทําได้แก่ทางดำเนินพระประมาทิมันส่วนหยาิส่วนกลางส่วนละเอียดแสดดงไปไว้หมดทุกงแง่ทุกมุม พระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรั้วสองฝากทางกั้นเอาไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดําเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดําเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะนพระสูตรพระวินัยพระประมัติศที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงใ้ปฏิบัติ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 ของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้เราเมื่อปฏิบัติดําเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอํานาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล ค, คิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่น ตามปริบไม่ทันก็มีหลงล่องหลงลอยสูตดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหาตทัทถุแก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร้อยหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเอง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 ลมๆแรงๆก็เชื่อมันไปตามความลุมๆแรงๆหาที่เข็ดที่หลากไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะสองจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทําเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียนซึ่งมีแต่กิเลสเพียนซะหมดเอาไปกินซะหมดแล้วจะปรากฏ สมาธิทำคือความสงบเยงใจได้อย่างไรนี่ดีมันน่าสรุดสัมผัสเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าค่าสืบศัตรูนะั้นแนบสนิทยอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดละมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมสาธิภาวนาอิยาบทใด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 ไม่ละลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลือนไปตามเพลินไปตามตาทุกเพศทุกใบเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ําทําลายได้แน้ในวัดในพระในเน็ตทั้งๆที่มันส่วนจับหยาบนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในว่าในพระในเน็ตมันมีได้เพราะชอบมัน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 เจ้าสงา่าตัวสงาาส่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปอมยกตัวจอมปอมหลังนี้เป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ําทําลายของจริงให้ถ้าเยเออตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ําทําลายซะด้วยซ้ําไปทําที่เป็นของกริงกลายเป็นของคือวามล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็น ที่เทิดทูนของจองปราดทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าลามกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปหยับย่ำำําทํำลายว่าเป็นของไม่ดิีไม่ดีเป็นของคลึกของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเสียหมดมนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำ่ำระสาย ความคิบหายวายป้วงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่ อ, ต, ต, อต่างคนต่างเสะแสวงต่างคนตามบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้ทงๆ ท, ที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฝืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญ มุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังลุทธิบรรศัทมุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศ จ, จากธรรมชาติไฟมาลายการที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่สิที่ว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่ง น, นี้ลบล้าง ต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทําซึ่งเป็นที่เทิดถูนของจอมปา่าก็ค่อยนับบันอับเฉาไปจากกิตใจแม้ทําจะมีคุณค่าประสุขเพียมไหลก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดมีตั้งแต่จอมมหาโทษสเสนียด จ, จันไหลนั้นถูกเสียกสารขึ้นมาเปะปั้นดอขึ้นมาเป็นควงดีเกยียบมโวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษ ยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่พบกี่ขาดเพราะอํานาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันรวมเป็นสิ่งหลงหลงแรงๆพูดเชื่อไปเชื่อแบบหลงหลงหลงแรงเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความถูกความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เรา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 ในธรรมทั้งหลายแม้จะบาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจ ย, ยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกคลองจึงต้องยอมตนให้เป็นเชียงเจ็าเท้าของสิ่ ง, งนั้นเหยียบย่าทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิทรรเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นเนี่ยทำไมจะไม่ได้ มีความสงบลงเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะมเห็นคุณค่าแห่งความสงบ่งเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวหางออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเล่าเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสด า, าจะเป็นอย่างนี้นะให้เชื่อให้ถึงใจ บังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นไัยในสิ่งที่เป็นไพยตามองศาดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือ ย, ยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยณนาุขมาเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละ ที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทําข้อได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วนะแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบํารุงรักษาให้ดีธรรมะระวังครับให้ดีอยาให้ฆ่าศึกัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทําลาย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 ถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาจะพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นกิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตองแล้วเพราะเป็นกิจที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์เพราะพิกิเลสตัวฟุง้งซ่านลำคาญจะถุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วกับพิจารณาจะพ่ะอย่างยิ่งอสุภาษณ์เป็นสําคัญมากในขั้นรมแหลก เพราะราคาตันหามันรุนแรงนี่กำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจจารบาดตามากถ้าเลวก็เลวมากในการแสดงออกของมันนั้นปราดทั้งหลายท่านจึ ง, จงตำหนิติเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจรึงต้องให้มีมกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งมนุษย์เรา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 อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวกามกิเลสนี้โทสะปวดขึ้นมากมึดเพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังตรงอยู่แล้วย่าไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็น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 หน้ากำหนัดยินดีใหม่แม้แต่ทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลู ก, กตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภ า, ายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักหน้ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปสิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพิณิพิจนาหนี้แหละท่านเรียวกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งดุลอย่างนี้แหละผู้พิพิจานาให้แยกแยะ เป็นต้องบัตของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดแล้วมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านตั้งหลายอยากเข้าใจว่ละเอียดนะที่สะดดแสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอ ะ, อะปัญญาปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก่าต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันมันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรก ม, มันขนุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะตามก็ไปค้ น, น, นแหลกเลวไปห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 ทอถูกทิ่เล็มันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วนี่จะเอานี่มาสอนก็ควจะเห็นเนี่ยปัญญาถรรมพิจนาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในอ่าแต่พิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาจะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากาหนดดิเรากําหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจําปลอมหลมหลอมแรงแรงนั้น มันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็ค า, าดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจอมปองผิดไปตรงไหนอคาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี่แล้วมันก็ถอนออกมาเด่นมันหลงมันหลงตามความจอมปล่องมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทําไมพิจารณาอย่างอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มีเหลือไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไม่สมัยพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไง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 เมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทาให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นนมน ม, มแรงแรงไม่มีที่จอดที่แยะนี่ไม่ตื่นมาพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาต่อถอนมาหมดแล้วมันจะไปไหนกินปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนมันมืดตรงไหนมันไม่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 อันนี้ในส่วนใหญ่รูปประขันสามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิทูมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยําพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปต่างเอ้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันนี่แหละมันไปไปไหนแหละนี่ก็รูประขันของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาติก็เป็นอย่างนี้ไม่นี่อย่างชัดเจนนียมันก็ปลอยพข้มัเนี่นังที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าไ เวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็นออกจากกิจยิบยับยิบยบลอกอยู่ยิบยับยิบยับอเหมือนแสงหิ้งห้อยนี่เหมือนผ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ําคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคร่มเพิ่มหลับไหลไปตามมันมันมันไม่มีวันอิ่นพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้เนีมันจะมีวันอิ่มันพอ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 เห็นแต่ความยิบแยบยิแยบของจิตที่มันหลอกตัวเมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิบแยบยิบแยบไม่เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีรู้อีตาเข้าไปตา่างไปสุดท้ายมันก็ไมมันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิต ด, ดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิต ด, ดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าพพไปงั้นแหะปัญญา เหมือนกรฝ้าย ไ, ได้เชือ้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายใ น, นนั่นมันอยู่ตรงกิจตรงกิจปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัตจักรวัตจิตยีประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกลที่ทันสมัยพังน่าหมดเอาที่นี่อะลรยเป็นข้าศึกต่อใจ ามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นค่าศึดต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นค่าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหรอกออโอ้ยสุดพุทโถดูไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุบอมีก็มีทางศักด์แต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดลทวงกิจใจ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 คืออวิชชาพันหรอกเมื่อมันหมดน้ํายาแล้วก็ไม่มีอะไร ส, สบายโดยหลักธรรมชาติประชา้าอยู่ที่ไหนทีนี้มันหมดสมมุติแนละ้วภายในหกหัวใจคาทําทไมคาดความเป็นความตายคาดแต่อะไรนี่ความเป็นอยู่กับว่าเฉยความตายแปบว่าเฉยความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนะั่ะ ไม่มีใครมาบอกก็าตาม ท, ทัานติโกท่านหม้อพันแล้วสําหรับความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบทัานติฏฐิโกจะบอกเป็นลําดับลำดับประจักในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงทันติโกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นน่นนี่คุณค่าขอางการปากฝืนนี่หละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสักรโลกของเราของท่านให้ยึดให้ นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปข่วานามาหลอกมาตกหูตกตาตาเรามีตาเร า, าเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตกทําไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วฮันมาตกหูเล่นทําไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทําไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้ๆ อ, อ้จริงสิอะไรเห็นสิพูดนี้ไม่ได้พูดมาแบบเป็นรุ่นดาวๆน่ะ พูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจมัเคยมันฟุดดอนทำถูกปิ้งมันเตะเท่จนพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วอวดมาพูดเพื่อนทุกขนาดไหนเพราะอํานาจของกิเลสก็ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้อย่างไรอยู่ที่หัวใจเมื่อฟัดกันขนาดไหนแพ้มันอย่างหลุดลุ้ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้ อ๋อาะนั้นมันลาบมมันลากให้เห็นนี่สิคิดเรียนลาบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษทําวิเศษนั้นคืออะไรวิเศษนะ่ะอืมอะไรที่มันเร็วอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่พี่ถูกสิ่งที่เร็วเร็วสามสหายครอบฉาบทาไว้หมดไม่เหมองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อสิ่งฉาบทาอันสกดิ์ศรสมมแสนสมมนี่พังลไปหมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่ไเศษมันก็รู้เองวิเศษประสันทํลายรู้โดยหลักธรรมชาติ นั่นละการปฏิบัติให้ตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมลมเร่งแรงไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าลาบก็ควรจะลาบทุกมันทุกมาแล้วนี่เพราะอํานาจของกิเลส ทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเรานยู่แล้วทุกลูกทุกนางเอาทำมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศทำก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกุลมายาสาถัยอะไรอเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถกหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่ เอาของจริงมาอยู่ดื้นให้เรามีแต่ความหลอกลวงต้มถุงทั้งนั้นแหละแต่ทําไม่มีคําว่าหลอกลวงชิ้นนึงก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเลยเมื่อเห็นในหัวใจนีแล้วมันนักรูก้มั น, นหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจตัวชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องของจิเลสมันทํางานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันจะแดงรวดหลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหมออยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสินี่หนละวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วอยากเข้าใจว่ากิเด็ดมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจาปล่อยให้สว์โลกพ้นไป จากอำนาจทั้งมันเลยไม่มีทางจะกี่กับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี้แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงมิดมีปลายมีต้นที่ไหนหขอบดงมันวงกลมอยู่งั้นอันนี้ล่ะชาติโลกมันหมุนเวียนกันอยู่มีถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอดด้วยธรรมหกโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทอนนั้นเองมันก็ไม่หมุนถ้าอดทําเข้าไปจับก็ออกละ่ะจากขอบวัตถจิตวัตจัก ทางไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมกับผมเคยเคยพูดแล้วกำลังวางช้าไม่เหมือนแต่ก่อนมันสุดลงมากนกี่ความต้องสารมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียบตะกายลงมาพูดก็ต้องนระมัดระวังอาจจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึงตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ ก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างอาไว้ล้างอาไว้แม้จะไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้า อ, อกเข้าใจก็อย่างดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้ง อ, อกตั้งใจให้เขารอบตัวเองทําอยู่กับหัวใจของเราทําอยู่กับอกกับกิริยาความเคลื่อนไหมวของเราตรงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคืบความทุกขนองเป็นเรื่องของที่เละอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อ กันลวกันใช่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านสแสว่งทำไม่ใช่ตลาดาค่ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีหะมัดระวังเหนื่อยแล้วเอาละพูดเป็นตรง น, นี้ของกูคนดีก็ขาดท่องอีกขนางนี้นนะ น้อมันอยกดีเดียรเากอยากเร่งกัใครือมหรือว่างั้น่ออกมารับแขกรับคนรับใครคือไม่อยากพูดกับกาคุณมันมัห้วเฟื่อกับข้งอ่ะกับพระพูดไม่ฟังว่าข้างพูดกับนั้น ว่ากระลังไาก็ไปเก็มคือพึ่งก็ค่อกุค่อด่วนมาเข้ามาพนมือคือพึ่งฆาพวกผู้กระตหาคำการกระหลังหาคำก็ต้องกระตือหาครูหาการรักครูรักอาจารย์มรรคธรรมพระอรคะเยวลงเล พอหลังปูกกันเผาผ่านไปแล้วความหลังหมหลังมันเยความหลังกับความหมดหลังมันมาเป็นคู่กันพัาเยอไปเรื่งนเคยเป็นยบัดมาความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่มันเป็นคนในโลกไปแล้วไ มันกระพุมใจหรือว่าปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเครื่องครับมันย่วเยื่ยง่วเีมันกัคนกันมันคนกลยกับคนกล้านะฮะความสงบ่่ยทางงกลมเสือจะเข้าไปอยู่นั้นร้อยกวก็ไมเห็นนะมันรกทางที่เมันเตียนโล่งนะ มมม เ, ม, เมืนไม่คุ้นคำว่าอ่งนี้มันกระดุกตลอดเวลาเมื่อไม่คุ้นมันก็ก ร, ระดุกตลอดเวลาด้วยคนก็นยิ่งกังวลมากขมากข่มาขมัมงเ้ า, รรากับมรยางก็มีอยู่ยนะไม่ขาดความไม่มือนึงครั้งลูกครางไม่งือถึงไม่มือใครมาเลยพระสนุกค้อน่าเลย อาหารก็มีธรรมชาติธรรมชาติพลังงานสบายสบายเรื่องควางงานการงานอะไรเพราะผมไม่มีงานเมืบอเรี้ยมันจะกลายเปนงานขึ้นมาใวัดมันผู้หญิงคนหนึ่งมาเมื่อวางคืนนครับพูดง่าฟังนะตรงนี้ผมก็พูดง่าฟังเกล่ยว้ับการศึกชา อพุทธมี่งการรู้วาระจิตของคนอื่นรู้ใจของคนอื่นรู้ใจธรรมดาไม่ว่างสำคัญที่ใจที่ดวงทุกมันสึกมันแปลก ป, ประหลาดมากในทางเร็วเปิเดตลอดคน ถ, ถึงาในใจตัวแล้วเจ้าของกฤติาการมาเป็นโทษด้ว ย, ยวางมันจะทำง่าย เราเห็นกองขี well. ้แล so so ้วยังไม่เห็นเหมือนกับมันเนี่ยตาเราเห็นกองขี้ล้วก็เคยเห็นใจเราเห็นอย่างนั้นทำไมจะไม่ตื่นกองขี้มันเหมือนที่ฉันว่ากองขี้เราไม่เหม็นด้วยมันเป็นไรไปก็เห็นก็ผ่านไปผ่านไปเขาเร็วเราไม่เร็วจะเป็นไรไปเพราะอย่งนั้นคือการปฏิบัติตัวเองไม่งั้นจะว่ารอบเลยเราพูดเห็นเขาเราไปสรุปคนหูกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาแสดงว่าเราโง่ต่อความรุ่งเราเช่ไหมทำมันรอบความรุ่งตัวเองที่ช่างดีกว่ารู้่ะ ตาเคยเห็นมาเท่าไหรแล้วผ่านมาเท่าไหรปฏิบัติต่อตัวต่วอหูต่อตามาเท่าไรนี่ปฏิบัติต่อจิตไม่ได้เป็นยังไงนะักปฏิบัตินากภาวนาละ ว, ว่านมันว่าแค่นั้นมันยังจะเห็นละเอียดละออกว้างกวา ง, งมึงมากกว่านั้นนลยนะเมื่อขั้นภูมิมันควรที่จะรู้จะเห็นเห็นก็เห็นผ่านก็ผ่านเป็เหมือนกับตาของจมูกดึงกายที่มันสะบัดสัมพันธ์ไหลเนี่ยมันจะพิดแปลกกันไรเห็นภาย น, นอกก็เห็นภายในเมื่อจิตไม่ ตื่นตัวเองไม่เป็นบ้านในตัวเองหมนแล้วมันก็เสมอเหมือนแหละ ừ, ว่ะจีตมันเปอย่างนั้นรบลํามากผิดมันบอกแล้วโอ้สารกจะใครจะไปรู้ได้ไง่วะนันเป็นถูกที่เด็มันบีบโอวีวันไม่เห็นจิตมันบีบได้หมดเลยมันจะทำเบิดเข้าไปเบิดเข้าไปทำงานเข้าไปมันจะเห็นว่าเป็นของวิสุตัวแท้ ปิดสทุก ด, ด้านทุกทางปิดกออกมาตังแตน่นู้นแต่บากมันมีบุญไม่มีนรกไมนมีสวรรค์ไม่มีเอ้ น, นั่นมันยังปิดปุ๊บอยู่ว่าตายแล้วสูญทั้ทงๆที่มันพาให้เกิดให้ตายตลอดเวลามมนมีใครพาให้สัตว์เกิดตายมิจิกิเดนทางนั้นพาให้เกิดให้ตา ย, ตายมีแค่วเวลาแล้วมันยังว่าตายแล้วสูญยัยงว่าอะไร้ฟังเดิแล้วยังเชื่อมันอีกนี่ถ้ามันยังสติปัญญาเขา้าไอยู่หัวมันจนแตก หากสะบัานองกปจากจิตใจแล้วจะไปเห็นคนของมันยังไงจะไปเห็นความจริงยังไงกำลังมันลดลงขนาดนั้นวาไงจะทำประโยชน์เป็นนานเท่ละน า, หาไหนอย่างหลวงปู่ความดีนี่ก็น่าวิตกนะกลัวจะไม่ยืนนานต้องผ่าต้งตัดอะไรเรื่ อ, อยท่า น, นอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้ออกนี้จะโรงพยบ า, งาบาลเราก็หาอปัญญาจะ รโรงพยาบาลแพทยปัญญาเขาจะมาดูแลท่านประมาณสักเจ็ดวันหนึ่งจะกลับด้วยงั้นนะหรือดีไม่ดีเอาท่านไปกรุงเทพอีกนี่ไปแก้ไขไปแก้ไขามาก็แก้ไปจก้มาก็หมดทางแก้ก็ไปเรองสิแล้วลเรืเองปีปงาในสายวัฒนามันอาภัพจริงๆอะเรื่องอั ง, องนี้มันเป็ น, นมากๆเราไปทําอย่างนั้นเลยโรงพยาบาลวิทยานะยาวเราไปนะ เราไม่ได้สนิทเราไม่ได้ถนัดใจเหมือนเราอยู่โดยลำพังเรายิ่งเวลามากจนกรอกจนมงวตะไร่นี้ใครมายุ่งเราไม่ได้นะเราทำหน้าที่ของเราเองโดยอัตโนมัติเ้าว่าเป็นหมอก็เป็นขึ้นมาทันทีในตัวของเราเองถ้าว่าจะว่าเป็นหมอก็ด<ม>ีการปฏิบัติรักษาจะกองมันพอเหมาะพอสมอยู่กับตัวเองเท่านั้นคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้มาเพิ่มมาเติมอะไรไม่ มันเหลือมันเฟือไปมันมากไปเปลีนความพอดีกับหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในตัวนั้นถึงไม่ก็ยุ่งแบบอะไรนยังต้องเป็นปรธรรมธรรม น, านาั้นอ่างแบบตายหมอไปกินยูริกเพราะเป็นธรรมดาเมันถึงเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อก็ได้ขเขาเขมถึงการจะเป็นนั่นจริงๆยาเราไปยุ่งนั่นนะตายสบายสๆไปฟื้นมันทําไมความตาย รักษากระรักษาแล้วเงมาหายก็ไปสิจะได้หายความรับผิดชอบแต่ว่าหายห่วงก็เห็นห่วงอะไรมันจะว่าหายยุ่งเหมือนนี้ถูกมันยุ่งกับมันปฏิบัติรักษาพาอยู่พากินพาหลักพานอนพาขับพาขายยุ่งตลอดเวลาไม่ต้อเรื่องของขันทํางานมีความยุ่งยินไม่เห็นมันยุ่งอะไรนี่ ดึงในรั่วพราเวนจักขันตาอ๋อมันเป็นตลอดสายนิ่นเอาพิเดชครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นพลาเวนจักขันตาสมมุติว่าเออมันบรรลัยไปแล้วมันกับพลาเวนจักขันตาอยู่นั่นเเรื่องมันเป็นาลาอยู่แล้วจะเป็นอะไรอีกดังนั้นมันไม่ค่อยมีครูมีอาจารย์ส่วนมากพระกรรมฐานที่มุ่งอันมุ่งทำจึงต้อง มาทางภาคนี้ภาคนี้พื้นเพลงมีอยู่แล้วแต่พอแม่ครูอาจารย์มั่นม า, มาโดยลาดับลำดาครูวาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีหลายองค์หลายองค์เวลานี้ก็ค่อยกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะคือที่ผลิดขึ้นมาใหม่นี้มันลาบากจิตที่เป็นไปนั้นก็นกไม่ค่อยจะ เกี่ยวข้องกับใครๆแล้วก็เป็นอัจยาสายของท่านแต่ผู้มีหลักจีตหลักใจมีอยู่มากเลยนะทางปาริสันลกตตะกิจตภาวนามีอยู่มากเลยนะท่านเมื่อไหรจะมาสนใจกับใครกับญาติกับโยมกย็แค่กับคนนะมันก็คงเกี่ยวกับนิสัยวาสนาสิ่งเห่านี้มันมต้องเป็นเองเพราะอย่างอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้คิดนะว่าผมจะเป็นครูเป็นจารย์ใครแล้วพูดถึงเรื่องวาสนาน้อยน้อยจริงๆผม มันไม่เคยสนใจเลยว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนใครนะมันมุ่งจะจะฆ่ากิเลสในหะัวใ จ, จของให้มันแหลกตอนนั้นแล้วพูดจริงๆอย่างนี้นด้วยเป็นความจริงในจิตใจมันไปเริ่มเกิดความเชื่ อ, อความสงสัยจากพุทธประวัติบวทที่แรกคนะรับสาวกาวประวัติ ว่ามนก็ษาวบกฝังพระเจ้ามันยังลงในใจจิตยิงบปได้ยินแต่พอแม่โคยานมั่นสอนน้ำังแล้วความจุใจแล้วโอ้โหเป็นยิ่งฝังเลยนั่นแล้วที่มันหนักความเพียรมันหนักมันเป็นกําลังใจมันไม่ได้สงสัยแล้วว่ามโหฬารนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปไหนตามที่กิเลสมันหลอกต้มมานานแสนนาน พอทำครูอาจารย์ประกาศลั่นขึ้นมาเท่านั้นนะความสงสัยความสําคัญอย่างนี้มันก็พังลงไปเลยมันมีแต่จะเอาให้ได้เอาให้ได้นั่นความเพียรมันทั้งหมุนติว้วติวจนมันพงถึงขั้นสุดท้ายก็ว่าให้ตายกับรู้เท่านั้นให้ตายกับหลุดพ้นไม่พ้นตายก็ตายที่จะถอยไม่ได้คำว่าแพ้แพ้ไม่ได้ตายเลย ถึงขนานนั้นเพราแม่ครูอาจารย์ร่วงไปขนานั้นห่ะหมู่เพื่อนเกาะเพิบเลยก่อนเราอยู่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านช่วยจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนเราไปแต่องคเดียวองคเดียวเราท่านก็เสริมด้วยนะผมไปองค์เดียวองท่านมีหลายขั้นหลายกระทงนี่น้อง์จะไปลาท่านไปไปกับใครท่าถามไปองคเดียวเออไปองเดียวอะไร ในยุคนี้กรรมตะขี่ยังไม่รู้ว่าขี่นักมันจะไปหากำอัดกรรมทำที่ไหนได้เนี่ยจะไปนะแหน่ยังบางองค์ไปอย่างนั้นองค์เดียวไม่ให้ไปบางองค์ไปองค์นั้นเออไปเนี่ยอย่างเรานี่ไปที่ไหนล่ะถามไปเาใครล่ะไปงเดียวเออเอาองเดียวอันละมันดีอ่ะแตหมาไปองค์เดียวนะใครจะไปกวนท่านนะหนะก ให้บุ้งท่านหนาะท่านก็ปราบไว้แล้วแล้วก็พระก็อยู่กับท่านนี่อย่ีไยุตัวอาจารย์อะไรเราก็สนุกไปคนเดียวเลยถึงเ ว, เวลาที่จะมากราบเยี่ยมท่านเราก็มาของเราไปกส่วนมากก็ไม่่อไกลไปห่างไกลอะไรนะสิบสี่สิบห้ากิโลไปกลับไปกลับมาได้เวลาสงสักยก็าอาจก็าทำมาหาท่านแล้วก็มาลงอุโบสถกับท่านหวังจะฟังธรรมะนี่ ลงสุดเส็จแล้วก็ไปกลับไปบางทีก็ไปไกลเหมือนกันนะเป็นพันเป็นโอเป็นร้อยกิโลพันกว่าเส้นของนี้ถ้าอย่างนั้นนานสองเดือนเมื่อไงกงกลับมาทีหนึ่งก็ไปบางทีก็ไปนานตั้งสี่ห้าเดือน็ไปไปกลกับมีเอาเนี่ยไม่ได้ยังไงว่าหน้าดีดทำเลงไวบางทีก็เพ่นลงไปถึงกาะสินนุ่น เือตามพูดต่ำเขาก็ลงหุกลับขึ้นอีกอยู่ตามปาตามเขากรรมฐานที่เราจะพูดถึงเรื่องอาหารการบริโภคนี้มันเหมือนนักโทษในเรินจําหนา แ, แต่เราหาอย่างนั้นนี่แล้มันหาความเหลือเพื่อความสนุกสถานลื่นลื่นไปด้วยลิ้นด้วยปากด้วยท้องแล้วหาความสนุกลื่นเลิงนด้วยอัดด้วยทำต่างหเพราะฉะนั้นจึงต้องหาเองายอาศัยส่วนมากกับเพเจ้า อยู่ก็พวกอะไรพวกโซ่พวกฆ่าเขาะ่ะอยู่ตามหลังเขาไหลเขาสี่ห้าหลังคาเรือนเขาไม่ได้ทํานาหรอกนี้เขาทําไร่ปร่นิ่งพวกทำลายป่าเป็นนะทําไรไม่ทํานาตายจะทำมาอะไรบินตบะเอาได้อาศัยเขาบางวันก็ได้พลิกมาห่อหนึ่งพี่เขาพกกี่กินหนูโอหกินหแม่ เป็นไฟเลยเดยีพอจินลงไปนิดมันจะตายเลยจะมีอาหารการกินจะมีอะไรเดแต่เราไปหาอย่างนั้นมันเป็นเจตนาของเราเองอมันจะเข้าวาเปล่านั่นลนะมันมากมันไม่ได้เป็นอารมณ์มัเขา้าเปล่าอยกินมากขนาดไห น, น, นคนเรา อินี่หน่อยไปอิ่มเดินทกลมมันตัวปลิวไปสิมันไม่งอกไม่ง่วงมันเป็นเพราะอาหารต่างหากนะกลับหนะักสำคัญนี่แต่ข้าเปล่าไม่ง่วงนะกลับยิ่งผัดผัดมนันๆวยแล้วนั่นแหละตัวเก่งกล่อมแล้วยิ่งชั้นอาหารยังไม่เสร็จด้วยซ้ำจะสลับกราบกราบเหนือ้อาหารจะนี่ใดบินไปมันเป็นเสริมเรื่องราคาตันหา ร, ราคาหามันแสดงก่อน กำลังวังชาดีทั้งๆที่เราไม่ได้สนใจกับสิ่งมันนั้นมันก็เสริมไม่เห็นมันต้องดัด ด, ดัดเนื่อยแต่ก่อนมี้ด้กดลงหระทาดขันถ้าอย่างนั้นแะท่านเจาะตัอย่างหาครูวาจานเพื่อนฝูงก็ห า, าทัานดำเนินท่านดำเนนอย่างนั้นไปหาที่โอเดจยากคาเคิร์นนะอยนั้นบ่ได้ยังคีวี ชีวิตเขาเขาช่วเป็น ว, วัน 1, วันหนึ่งวันหนึ่งให้ตังค์ปั ง, ปงเป้าเปียนเรื่องคนรจะไปเกี่ยวข้องใครจะไปเกี่ยวข้องเขาไม่มก็ไม่รู้เรื่องเราเราก็เราเราก็ไม่สนใจเขาเขาเลยเราไปหาภาวนานั่นนี่เอาอยู่ทั้งวันก็ได้จนกรมนางสงนิพพานจะมีงานอะไรมายุ่งมันก็เพลินภาวนาสมาธิสงบเย็นอยู่ตลอดแล้วมันก็นยิ่งสบาย ยิ่งเข้าปัญญาได้แล้วมันก็ยิ่งงานเต็มตัวถ้านาเนินดําเนินอย่างนั้นอย่างน้องผือยิ่งเหมือนกันภาพมากๆที่มีอาหารนี่อะไรที่ไหนผตไม่ได้อยู่เพราะอาหารอยู่เพราะทำต่างหากมันจะอากจากาแกล้งอะไรมันอยู่ได้ น, น้องผือก็หลังคาเดือนเจ็ดเจ็ดสิบหลังแต่ก่อน เขาขุนขวายเต็มที่กําลังความสามารถของเขานั่นแหละแต่มันก็ไม่เพียงพอกับพระคือผู้ถือเรื่องกลับนะฉันเขียมนก่อนข้าวไม่อดละข้าวมันเที่ยวกับยังวัดเรานี่มันพิลึกนี่มันท่วมจะตายเลยมันไม่มีอะไรเจริญทำมีแต่อาหารเจริญกิเลสเจริญเยียแยะมันอันรายแต่ว่ามันน้อยขนาดไหนก็ตามเถอ่ะเท่าที่ดูอยู่นี่ มาจาวันนี้น้อยมากนี่มันมันไม่มากอะไรมันเหลอะเลอะถ้าเทียวกับตังอย่างที่อย่างผือแล้วมันก็มันมากเกินไปอยู่อย่างนั้นเลยนั่นก็เป็นเองถ้าอย่างนี้โยงน้ำส้มน้ําหวานน้ำว่าน้ําตาลได้กินกันที่ไหนอันนี้มันล้นป่าอยันตลอดมันขาดครัวที่ไหนมันเต็มเต็มเห็นน้ําตาลที่เป็นพื้นอยู่แล้วยังมีน้ำส้มน้ำหวานอันนั้นอันนี้ อแอบมาแฝงอีกเสริมเขาโน่นมันไม่มีเพราะฉั้นเวลาพามูอกวนปฏิบัติที่แรกผมไม่เคยสนใจกับน้ําร้อนน่าจะประจํามรรษาที่จันทร์ก็ไม่ไม่ยุ่งเรื่องของน้ําร้อนนะไม่ได้ฉันน้าร้อนกันมายิงที่แรกก็ไม่ได้ฉันไม่สนใจกับน้าร้อนน้ําชาเลยกันอยู่นานมานานมาคนนั้นอ น, นอ น, น, อ น, น, อนสงสารมาสวางมีขึ้นมีขึ้ น, ม, น, นมันก็ถึงได้มีอย่างนี้แหละ ท่ tunes, าก็เลยมีมาเป็นประจำจนออกหน้าออกตากันแล้วไงทำเจริญในที่ขาดขาดเขินเขินเฉื่อยเฉียบมันนี่เลยมันเจริญในที่สมบูรณ์ภูมิผลนี่ล่ะหลักนี้ให้จะไม่ดีผู้ทรงอัจรงธรรมที่จผู้ขาดขาดเขืนเขินเคยทุกข์มาแล้วแต่ยังไงมันก็ ไม่เท่าที่ผมหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาแหละ น, นั้นท่านบุเบิลพิลิกนะท่านทุกข์มากให้เลาไปที่ไหนเขาก็รู้แล้วก็มาถามท่านเขาจะไปรู้อะไรที่ดูเขียนหนังสือว่าไงเห็นไหมเพรามาเจอท่านเขแต่คือเข้าป่านังที่เขียนแม่นั่นเป็นความผิดที่ไหนนะ่ะ าการกดใหญ่ๆกั้นล้มไปนี่เขาเห็ น, นก็าแตะคือบางทีเก็กําลังไปเที่ยวหาอยู่เขากินในป่าเดินไปก็มาเห็ น, นแต่คือเขาผ่านแม่หลวงลูกลูหลวงแม่แต่ฟังเสียงลั่นเลยนั่นก็ผ่านไปแล้วมาหากันเขาหัวแล้วกันลั่นคือเขาอายนั่นคือก็ไปหากินไปหาข้าสัตว์อะไรเลกูหาปล า, าในป่าในดงอรอยางลี้แต่พอเขาเจอก็เขาอายเขาโดนเขาป่า แต่โกค้างกลางผ้าอย่างเขากลัวเหมือนกับกลัวสัตว์กลัวเสือเขาไม่ได้กลัวงานเขากลัวด้วยความอายเขาเหมือนกับว่าเขานี่ต่ชาช้าลามกแล้วกับเพศของผ้าเนี่ยมันไกลกันมากกับที่เขาพักอยู่หากินนั่นเป็นก็ที่ยาบนะครับที่เขากลัวท่านเขากลัวอย่างนั้น แต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมาความหมายเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นตอนเด็กมันอาะกลัวจริงจริงก็ได้เด็กคนหลงก้อนของแม่มันส่วนงแม่มันวิ่งเข้าป่านแต่คือกระาป่านเขาเขากลัวด้วยความอายของเขาเห็นป้าทำกรรมฐานหมาก็อายตอนสมัยผมเที่ยว อ, อยู่มันก็สะดวกนะมันไม่มีผมยักษพวกผีมาก อยู่ทุกหย่อมย่ามเหมือนอย่างทุกวันนี้รัฐที่สังหารทำ ร, รัฐทียักป่าไหนก่อนอยู่ในโม่แล้วก่อนบางที่ยังท่านหวดไปอยู่เหล่านั้นผมเคยไปหมดแล้วนานอ่ะท่านหัวท่านปิ่นที่ว่าไปตายนะ่ะผมไปเที่ยวไปหมดแล้วพวกหน้าหลักแก้งหางกรงไหนไหนบ้านน้องหมูน้องหมาผมไปหมดแล้วไปเที่ยวอยู่ พระเ้าพรนามันแจียงนาเนี่ยเคมีประมาณสักนี่สิบสี่สิบห้าหลังการเรือ น, เ, นเป็นโดงทั้งนั้นนั่นนี่อั น, นั้นก็เป็นป่าไร่ป่าไม้ผ่าป่าไร่โอยเดินไปจตั้งวันกับตรงนี้รอยเสือนี่เหมือนกับรอยไก่ <c oughs> บ้านหลายว่าายบ้านอนะ่ะผมจําไม่ได้เอยที่ผมเคยอยู่บ้านนาหลัก แจ้งนางบ้านน้องหนูบ้า น, น, อ, น, านอะไรเล็กๆ เ, เ, เ, เ, เขาว่านี้มีทํานาล่ะเขาเขาทำไร่ทางนั้นนะพงศ์จะทั้งศรัท ธ, ธาเขาดีนะเขาใส่บาตรองกินพ่อแม่ครูจางเคยไปนั่นนะทางหน้าหลับแจ้งงางนพ่อแม่ครูจางเคยไปภาวนายอยู่นั่นนะแล้วไปเขาก็เล่าให้ฟัง ผู้เฒ่าคนหนึ่งยั ง, ย ง, ย ง, ยงมีชีวิตอยู่ตอนนั้นกพ่อแม่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ตม่มไปก็เล่าให้ฟังว่ า, าท่านเขาว่ า, าขาว่ า, าท่า น, า ท, านาท่านยาท่านมันมาอยู่นี่แล้วลกวานายมีแต่ดงแต่ป่าทั้งนั้นสัตว์เสือนี่เต็มไปหมด ออกจากทางนี้เราไปตัดออกไปทางอำเภอนักแกนี่ก็เข้าไปนั่นเลยเรื่อยๆเพราะเรื่อยไ ป, ไปยจนออกทางกาลสินออกจากกาลสินแล้วขึ้นมาทางนี่กรรมสกลมนันของผือต้างแหงแล้วเดือนสองเดือนเรื่อยๆเรื่อยมาปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งขึ้นภูเขาน่ะผมว่ามันต้องดูหมด พวกป่าพวกอะไรพวกมริมาแนสมันอยู่ที่ไหนรู้มัผมอะอยู่จุดนั้นจุดนั้นก็เป็นจุดที่เราเคยไปเคยอยู่แล้วทางนั้นทางภูเขาทางจังหวัดสกลนครเนี่ยพวกนั้นอยู่ไหนกันรู้หมดเลยก็เคยอยู่แล้วแต่ก่อนไม่มีอยู่ในสบายมั้ถนนทางไม่มีเลยเป็นด่านทางไปบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่เป็นด่านไปนนมันไม่มีรถมีเกวียนนี่ พวกนั้นเขใส่กักะเป้เขาใส่หลังแล้วนะหาบ้างใส่กะเป้ใส่หลังบ้างป่าพวกเขาเขาทําไร่กินสํำลับพังข้าวของกินก็ไม่พอกินนะข้าวแดงแดงนะข้าวไร่นี่ยแดงแดงไม่พอกินนะเขาต้องเอาหาสัตว์ห า, หาของป่านะลงไปแลกเปลี่ยนนะตามหมู่บ้านพื้นๆนู่นทุ่นงนานขึ้นมา ถือเป็นความสนุกสนานของนั่นะเท้าลงไปหาอะไรไปแลกไปเปลี่ยนแล้วหาหาข้าวขึ้นมาหาจะเป็นน่อยแย่นอไว้เครื่องป่าเครื่องปามีเยอะเนี่ยเป็นสัตว์สัตว์ป่าเนื้อวางก็มีเนื้อเก่งก็มีมู ก, ก็มีเห็นก็มีแล้วแต่เขาจะได้อะไรละ่ะ เขาลงไปแกไปปลกเปลี่ยนหาขึ้นมากินแล้วเผือกเอามันลงไปไปแลกเปลี่ยนข้าวขึ้นมาช่วยมากินของเจ้าของก็มีก็เอามาเปลี่ยนด้วยเขากินนั่นเขาก็ไม่กินเหลือเฟือแหละอาจะอะไรมาเหลือเผือเป็นสวนเป็นทังอะไรขเขาก็เห็นมีทีพวกสวนสวนก็ทำปลูกนั่นปูนี้ไม่มี ก็มีไร่ของเที่ว่าเขาไปปลูกเผกปลูกมันเอาไว้ปลูกข้าวเนี่ยเขาทําไร่ข้าวแล้วก็มีเผือกมีมันปลูกสับแฝงกันไปต้นกังไปนั่นไม่ okay, okay, มีสวนเมืองอย่างเรานนี่พอมันหมดจริงๆแล้วก็กย้ายบ้านไปหาตำเลที่มีป่าทุกสุ่มเนี่ยก็ไปทำไํำนาป่าอีก มันลื่นเลงนะพอพูดอย่างนี้มันก็ยังทําให้ลื่นเลงผมไม่ได้คุ้นนะครับผมมาอยู่อย่างนี้โดยวฉาเป็นทางนิสัยว่าไม่ทราไปเห็นป่าภูเขาป่าเห็นเขางนี้มันใจมันคึกคักตัวอย่างคือวันนั่งไปแจกของก่นผ่านป่าผ่านเขาพราะเราเคยแล้วมันใจมันคึกคักคึกคักมันอยู่สักว้นทั้งวันไม่เกี่ยวกับใครเราไม่เคยยุ่งกับใครนี่วะ มันก็สบายดีหลบแขกหลบคนมันไม่อยากพูดด้วยนี่คืออยู่เจะของคนเดียวจะของมันพอดีพอดีเลยแต่เผื่อว่ากับใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีอะไรมาให้เราแบกบเราหามมันมันหนักปากก็หนักไม่อยากพูดวันถึงห ล, ลบนั่นหลบนี่เวลาคนมาจําเป็นยิงก่อนรับก็่บ้างอะไรบ้างคิดว่าไม่ไหมุ่งอะไร อยู่พอดีพอดีอยังเจของาธาตุขันก็พอดีการรักษาก็ง่ายถ้าอยู่ลำปางคนเดียวมันมีแฉ่มาเกี่ยวข้องเขาก็มาข ย, าย่าอยมาขยา่อมาขยุ่มเก็บล้างเจ็บแอทร์ทามากนๆไปพูดนานไปก็เหนื่อยเนี่ยมันมีแต่เรื่องขย่ายก่อกวนานานประชุมตั้งแต่วันที่ะอะไรเหนี่สิบเดือนกุมภาหรือ ยี่กอ็เขาย่เก้าแปดวันแปดวันวันนี้วันที่1ิบสี่โอ้แปลสี่ยิบสองี่สิบเอ็ยิบสองวันก็นัาว่ า, าได้ฟังยูนแล้วขนาดนดี้อยู่ดีมันไม่คิดได้คาดวันว่าจะเคมีชวแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้วันเจ็ดวันแปดวันประชุมทีหนึ่งประชุมทีหนึ่งเรื่อยอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันกำลังของ่าของ ข, องขันมันพี ق, ่อ่ะคือธรรมชาติของมัน อยู่เฉมันก็เพียบมันอยู่ยิง น, นอนๆนี่โด้แล้วมันก็ยิกดลงกดลงให้เพียรนะเลิกคุยไปคุยไปจะเพิ่มความเหนื่อยขึ้นเหมนเลย